สามวันที่ผ่านมาตมาก็ได้ไปช่วยงานอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เผชิญความตายอย่างสงบนะเวลานึกถึงว่อผู้ป่วยเนี่ยเราก็นึกแต่ว่าทำยังไงจะช่วยเขาหายเหลือช่วยเขามีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการทำเช่นนั้นก็อาจจะทำให้เขาตายไม่สงบก็ได้เพราะว่าพออยากให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวก็ต้องพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แม้ว่าร่างกายมันจะย่าแย่แล้วเช่นใน ห, หัวใจหยุดเต้นก็ต้องปั๊มหัวใจ ถ้ากินไม่ได้ก็ต้องเจาะคอรหรือว่าเจาะหน้าท้องใส่ท่อนะก็คิดว่าทำไงก็ได้เพื่อให้หัวใจมันหยุดมันเต้นต่อไปหรือให้ร่างกายมันทำงานได้ตั้งนั้งที่จิตใจอาจจะทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บปวด นะเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปไม่ไหวจริงๆสิ่งที่ดีสุดคือว่าช่วยเขาไปอย่างสงบนะอันนี้ก็ไปไปช่วยเขาอบรมนะที่โรงพยาบาลชัยภูมินะก็อบรมมาเป็นปีที่สี่แล้วนะเขาก็มีพยาบาลจากหลายอําเภอมาร่วมอดรมด้วยนะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วย เมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมนะผู้ป่วยสองคนคนหนึ่งเป็นเด็กอายุสี่ขวบนะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดไม่รู้ตัวแล้วแม่กับพ่อก็เศร้าย่าก็ซึมอีกรายหนึ่งเป็นคนแก่อายุแปดสิบนะสองคนนี้อายุต่างกันไกลเหลือเกินนะสี่ขวบกับแปดสิบนะแต่ว่าก็ ชาตากรรมก็คล้ายๆกันก็คือว่าใกล้ความตายเข้ามาทุกขนาก็ต้องช่วยทำให้เขาเนี่ยเขาไปอย่างสงบนะถ้าจะมายื้อให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆก็อยู่ได้นานเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีความสงบหรือว่าไปดีหรือเปล่านะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องจิตใจเท่าไหร่เห็นคนป่วยก็อยากจะดูแลแต่เฉพาะเรื่องกายส่วนเรื่องจิตใจไม่คานึงบางทีเห็นเขากินอาหารไม่ได้ก็ทำอะไรก็ได้นะเพื่อให้เขากินอาหารได้ไม่ใช่แค่เจาะหน้าท้องอย่างเดียวนะ มีลายหนึ่งกินข้าวไม่ได้อายุมากแล้วนะลูกเห็นก็ไม่สบายใจก็พยายามที่จะเอาท่อเนี่ยให้อาหารทางทางสายยางแต่ว่าแม่เนี่ยร่างกายไม่รับก็คือไม่ย่อยไม่ย่อยก็อึอดอัดทำยังไง ก็ดูดอาหารออกมาตอนเช้าใส่อาหารทังสายยางนะตอนเย็นก็ดูดออกมาและก่อนเช้าก็ใส่ก็ไปใหม่ลองคิดดูสิว่าถ้าเราเป็นคนป่วยนี่จะทรมานแค่ไหนเพียงแค่ให้ลูกสบายใจว่าเออแม่กินอาหารถ้านั่งที่คนป่วยเนี่ยบางทีเขาไม่อยากกินอาหารแล้วล่ะนะ เพราะว่าพลังงานมันไม่มีแล้วคนเรากินอาหารเนี่ยเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ร่างกายมันก็รู้นะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายอยู่ไม่ได้เนี่ยร่างกายมันจะไปแล้วนะมันไม่กินอาหารแล้วนะถ่านไฟก็ไม่มีแล้วถ่านไฟอ่อนแออันนี้ลูกก็ไปบังคับแม่ให้กินอาหารนะพอแม่ไม่กินก็ท้องอืดขึ้นมาก็ดูดอาหารออกมาจากท้อง แล้วตอนเช้าก็ใส่เข้าไปใหม่นะแต่ว่าแม่พูดไม่ได้นะก็ได้แต่ทรมานไปวพวกเราก็ระวังเหมือนกันนะตอนนี้หลายคนก็อายุมากแล้วนะก็ต้องอต้องชี้แจงให้ลูกๆเข้าใจว่าไอ้ความสุขของคนเรานี่มันไม่ได้อยู่แค่กายอย่างเดียวมันอยู่ที่ใจด้วย คนบางคนเนี่ยเขาอยากจะไปนะแต่เขาไปไม่ได้มีคุณปู่คนหนึ่งนะอายุ96แล้วนะ <c oughs> ก็ป่วยหนักจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วลูกมาเยี่ยมก็จะพูดคล้ายๆกันบอกว่าพ่อพ่ออยู่ให้ให้ถึงร้อยนะ หลานก็มาพูดนะโปรโปรอยู่ให้ถึงร้อยนะคนไข้เนี่ยทั้งนันที่เขาดูเหมือนไม่รู้ไม่รู้ตัวนะโคม่านะแต่พอลูกหรือหลานพูดแบบนี้ทีไรเนี่ยแกก็จะทาท่าฮึ ด, ดฮัดฮึดฮัดนะเหมือนกับว่ามีแอร์ฮังเกอร์เนี่ยทุกครั้งที่ลูกหรือหลานบอกว่าอยู่ให้ได้ครบร้อยนะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะเออเป็นพ่อไรนะ เป็นเพราะว่าพอใครๆพูดอย่างนี้แกก็ไอ้ที่อยากจะตายสงบมันตายไม่ได้นะมันอยากจะสู้อยากจะสู้ออความตายนะทั้นที่เก้าสิบหกแล้วนะก็คงรู้ตัวว่าคงไปไม่ไหวแต่พอพอมีคนบอกว่าอยู่ให้ได้ถึงร้อยนะใจมันจะดิ้นแหละจะมันจะไม่ยอมรับความตายนะจะอยู่ให้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้ลูกหรือหลานเสียใจ และจิตที่มันดิ้นนี่มันทุกข์นะอาการที่แสดงออกมาเนี่ยคือเขามีความทุกข์เขาอยากจะสู้ออกับความตายและใจที่มันสู้ออกับความตายนี่มันทุกข์มากเลยดีกว่าใจที่ยอมรับนะมีคุณยายคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาล mm hmm. ก็รักษาอยู่พักใหญ่เสร็จแล้วก็หัวใจหยุดเต้นโรงพยาบาลก็ปั๊มขึ้นมา ป, ปั้มแล้วแกก็ไม่รู้ตัวแล้วนิ่งเลยนะใครพูดอะไรมาแกก็ดูเหมือนไม่รับรู้ไม่ได้ยินแต่แกเป็นคนที่ดีมากนะเป็นคนที่ใสดีมีเพื่อนบ้านที่รักมีญาติพี่น้องที่รักแกก็มาเยี่ยมเยี่ยมเยอะมากทุกคนก็พูดคล้ายๆกันว่าหายไวๆนะรีบกลับบ้านเนะ ใครๆก็พูดแบบนี้แหละให้รีบหายไวๆให้กลับบ้านแต่แกก็ไม่ไม่มีอาการตอบสนองเป็นเดือนเลยนะวันหนึ่งลูกชายซึ่งดูแลแม่ตลอดพลิกตัวแม่เห็นน้ําตาออกมาเห็นน้ําตามาเลยนะก็เลยสังหอนใจก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่แม่เหนื่อยไหมแม่ทรมานไหมถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะแม่ไม่ต้องห่วงผม แต่ล้วก็ชวนแม่สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิในการพาคนป่วยสวดมนต์ทำสมาธิทั้งนั้นที่ก็ไม่รู้ตัวนี่ก็สําคัญนะเพราะว่าจริงๆเขารับรู้ได้ผู้ชายที่บอกว่าพอชวนแม่สวดมนต์นั่งสมาธิไปได้สักห้านาทีเท่านั้นแหละสัญญาณชี้ของแม่ที่เคยเต้นมันก็แบนล่าไปเลยแม่ไปแล้วนะ ทันทีที่ลูกบอกว่าแม่ถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะแม่ก็เลยไปเลยก็คือว่าลูกให้ไฟเขียวแล้วแต่ก่อนเนี่ยไม่ยอมไปเพราะว่าใครๆก็บอกให้รีบหายไวๆเขาก็เลยสู้นะพยายามสู้ทัง้งที่ร่างกายไปไม่ไหวแต่ใจมันสู้เพื่อไม่ให้คนอื่นผิดหวังแต่ว่าก็ทรมานนะ ก็กลัวด้วยกลัวลูกจะเสียใจแต่พอลูกบอกอย่างนี้เข้านะแม่สบายใจเลยแม่ไปเลยนะคนไข้าบางทีเขาพร้อมจะไปนะแต่เขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาห่วงลูกเขาห่วงใครต่อใครที่อยากจะให้เขาอยู่นานๆอันนี้เรื่องการการดูแลคำพูดของคนที่อยู่รอบข้างผู้ป่วยหรือลูกหลานนี่ก็สาคัญนะ เพราะว่าผู้ไม่ถูกผู้ไม่เป็นนี่แทนที่เขาจะไปสงบเขาก็ทรมานนะบางทีพ่อบางทีลูกหลานทะเลาะกันข้างเตียงนะเขาก็เป็นทุกข์นะบางทีกำลังจะไปอยู่แล้วนะพอลูกหลานร้องไห้นี่สัญญาณชิมกระตุกเลยนะมีเพื่อนคนหนึ่งมาเล่านี่ย่าเข่าย่าเขา ไม่อยากตายนะไม่พยายามสู้ความตายแต่ก็สู้ไม่ไหวสังขารไม่ให้ร่างกายก็แย่ลงสัญญาณชี้ว่าตกลงตกลงตกลงลูกก็มาอยู่กันพร้อมหน้าข้างเตียงจุจ่ๆลูกพอสัญญาณชี้มันกำลังจะหมดแล้วนะกำลังจะดับแล้วกำลังจะนิ่งแล้วลูกนี่ร้องไห้บอกว่าหัวใจแม่เต้นเลยนะเต้นทันทีเลย ที่มันกำลังจะดับอยู่แล้วนี่เต้นเลยนะทำไมถึงเต้นนะไม่ยอมตายสงสารลูกหรือว่าเห็นลูกร้องไห้ก็มันก็เลยสู้ขึ้นมาอย่างงี้ก็ไม่แน่อาจจะตายไม่ดีนะเพราะตอนหลังเนี่ยหลานก็บอกว่าเห็นมีคนเห็นยายเนี่ยมาที่บ้านบางทีก็มาในความฝันเขาก็เลยสงสัยไว้สงสัยยายจะตายไม่สงบ อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยตอนจะตายเนี่ยมาจะตาย ส, สบายแล้วนะลูกร้องไห้มันก็เลยกังวลขึ้นมาหัวใจก็เลยเต้นนะแต่ก็เต้นได้ไม่นานเพราะมันสูส้สังขารสู้ความเจ็บป่วยไม่ไหวมีหมอคนหนึ่งไล่ฟังไปไปไปทำงานที่อเมริกา หลายปีเธอนะวันหนึ่งได้ข่าวว่าแม่กําลังจะป่วยหนักแม่ป่วยหนักแล้วรีบบินมาบอกว่าอยู่ได้แค่สองวันมาทุกกลับมาดูแลแม่ได้สองวันแม่ก็เสียชีวิตจะทําใจไม่ได้นะหมอหมอใหญ่ด้วยนะเวลาคนอื่นตายนี่สบายจิตใจนิ่นงๆแต่ว่าแม่ตัวเองตายทำใจไม่ได้ขย่าวตัวแม่ทําไมแม่รีบไปทําไมแม่ไม่ไม่อยู่ให้ผมให้ผมกับผมให้นานกว่า น, นี้ นะผมอุตสาบินมาจากอเมริกาทําไมแม่รีบทิ้งผมไปแม่กลับมาแม่กลับมาแค่เดียวกันก็มีการปั๊มหัวใจด้วยบอกว่าปั๊มสําเร็จนะแม่กลับมาพอแม่อยู่กับลูกสองคนแม่ก็บอกลูกว่าลูกทีหลังอยเรียกแม่กลับมาอีกนะจะบอกว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะคนที่เป็นแม่บอกนะหัวใจมันตอนที่หัวใจหยุดเต้นมันมืดไปหมดเลย แล้วก็สงบมากสักพักก็เห็นแสงสว่างอยู่ไกลๆใจมันก็ล่องลอยไปที่แสงสว่างนั้นความรู้สึกนี่สงบเย็นแต่ว่าสักพักก็ได้ยินเสียงลูกร้องให้แม่กลับมาให้แม่ทําไมแม่ทิ้งผมไปได้ยินเสียงร้องคร่ำควรวญของลูกก็เลยตัดสินใจกลับมานะกลับมาก็เลย กลับมาเพื่อที่บอกลูกว่าทีหลังอย่าเลีกแม่กลับมาอีกนะนะคนที่เป็นแม่นี่เขารักลูกนะเขาจะไปสบายแล้วนี่ไปไม่ได้เพราะว่าลูกร้องเลยต้องกลับมาแต่ว่าไม่ทราบว่าตอนหลังเขาตายยังไงนะนี่ก็เขาก็เล่ามาเท่านี้นะก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้ไหนเท่าไหร่อันเนี้ยบางทีเวลาคนไข้เขาจะไปแล้วนี่ก็ต้องช่วยเขาไปสงบนะอย่าไปเรียกจะ่าไปร้องเพราะว่าเขา อาจจะเกิดอาการดิ้นรนขึ้นมาไม่ยอมตายสู้กับความตายทุกทรมานเนี่ยช่วยเข้าไปสงบเธอให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทําให้เขาปล่อยวางให้เขาไปสบายสบายเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราก็ควรจะรู้แล้วควรจะทําให้เป็นนะไม่ใช่คิดแต่จะยื้ออย่างเดียวนะเสร็จ แ, แล้วก็พอเห็นเขาทรมานก็ค่อยมา ก็มาเสียใจว่าโอ้เราไม่น่าเลยทําไปแล้วก็มาเสียใจเพราะคําว่าไม่น่าเลยนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะอะไรที่ทําไปแล้วก็ต้องเลยตามเลยแล้วล่ะจะมาคร่ําครวญว่าไม่น่ายื้อุแม่เลยไม่น่ายื้่พ่อเลยเห็นพ่อเห็นแม่ทรมานแล้วฉันไม่น่าทําเลยอันนี้ก็เปล่าประโยชน์แล้วล่ะเพราะว่ามันผ่านไปแล้ว